เป็นปัจจตังนั่นเลยว่าฝึกสมาธิแต่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าสมาธิใจใจรู้อยู่การฝึกสมาธิที่ใส่ใจจี่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็บ้าขึ้นการฝึกสมาธิไปเช็กับวางกับการก็ได้การงานก็สาเร็จให้ทอดทิ้ง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 มันานจารีสารเล่นคอมพิวเตอร์อาจารย์ภาสาพิมพ์ดีไม่ต้องไปดูพิมพ์ดีจมือมันไปเองแต่เราไปหัดต้องดูอักษรค่อยๆเต้นไปเวลามันผิดยาจารย์ภาราก็รู้ไม่ได้ดูตาไปอ่านหนังสือหลวงพ่เล่นดนตรีมือมันเต้นไปเองในโน้ตต่างๆไม่ต้องไปค้าหา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 น้องไปในความหลงมันก็อาจจะด้านได้ในความหลงความหลงทำไม ห, หน้าด้านได้ไม่อายผมโกรกทำไมคนหน้าด้านได้ไม่รู้จักอาวผมทุกข์ทำไมคนหน้าด้านได้ไม่รู้จักกายหยาบพลายไม่ใช่ดือ้อมันด้านผมงอนอนหมด้ะเวลาใดมันง่วงขึ้นมาหาว้าปากตาก็หลับอ่ อ, อนแอไปเลย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 คนมีแต่ภ่ายแพ่เรื่อปาราชิกให้มารู้ทำกับเขาเลยว่าราชัยคือปาลชิกต้องมีการชนะว่าชิตังเมย์าชิตังเมชนะแล้วชนะความหลงชนะความทุกข์ชนะความโกรธชนะชิเลตตระหนัชนะแล้วชิตังเมชิตังเมย์มีมีมเหลี่ยมที่จะต้อง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 ไม่ยากขนาดที่ต้องไปสร้างคุกตั้งแต่รางชีวิตของคนเราเนะ้่ยเดี๋ยนี้ต้องมีคุกมีแต่รางมีสตาอาวุธมีตำรวจมีตทหารมีระเบิดมีรถถังเพื่อไปเกณฑ์ฆ่ากันทำไมมนุษย์จึงเป็นอย่างนั้นไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นความผาุกก็อยู่ในมนุษนี้เป็นสัตว์ประเสริฐ เราจะมาฝึกตอนนี้ใช้สธิของเรามันหลงเรามีสิธิไม่หลงไม่สิ ธ, สธิของมนุษย์มันโกรธเรามีสิธิไม่โกรธมันทุกเรามีสิธิไม่ทุกรเราต้องใช้สิธิให้ได้อย่าพึงยมบางคนทำตามความโกรธทำตามความหลงทำตามความทุกข์นั่นไม่ใช่สธิเป็นคนป่าเถื่อน ไปทำมาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยเอาตอนเป็น <c oughs> การกระทําลิขิตชีวิตของตอนเองโลกาที่ปไตยไปช่วยโลกเป็นดินท้องฟ้าอากาศแม่น้ํตนาต้นไม้สัตว์ชาหลายสิ่งทำมาที่ปไตยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้จากมนุษย์นี้ถ้าไม่ทําตรง น, นี้ก็เป็นโทษเป็นภยัย เป็นอัตรายเดี๋ยวนี้แผ่นดินเกือบจะเหยียบไม่ได้แล้วน้ามอยวัวรอยควายบอกกลัวบอกควายใช่ไม่ได้น้ามห้อยหนองกองเมืองก็งใช้มาได้ฝีมือของมนุษย์ฝีมือของคนแต่ก่อนพระใส่รองเท้าแต่เอาปล่ญ้าเอาฝางถักต่อมาต้องสวมรองเท้าหอ่อนิ้วต่อมาอาจจะใส่บู๊ทใช่ไหมทำไมอ่ะ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 แต่ไปจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกก็เจ็เจ็บต า, ตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาอาภยาปาจาระนิกาสุขีอัตหนังทำไว้ในใจเสมอเพราะนั่นเนี่ยตั้งต้นจับหนึ่งเสียก่อนนับหนึ่งจากทุกคนเ ข, ข, ขียนไว้อาจารย์ยองสิงเขียนไว้พี่ลองทานอ่านว่าไงให้อ่านได้ทีไหมตัวเท่าถเสาเนี่ย เขีนว่าไงเจ้าของวัดไม่เคยอ่านไปดูอะไรบาดีอยู่ที่คนบาดินน้ำอากาศดีอยู่ที่คนคนดีต้องอยู่ที่เราต้องต้นตรงเน้กันสำเร็จเลยคนไทยหกเบกว่าล้านคนหนึ่งเราก็เพ่ปเดียวเดียวเท่านเ้แล้วทำไมต้องยุ่งยากเลยเกิดนั่งอยู่นี่อากน้อยต้องร้อยคนคิดซะแบนี้รู้สึกตัวซะ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 แต่ทุกจะดีจะยากจะจนอยู่ที่เราพ่อแม่ลกูกพ่วก่อนดยป่าวา่าร้านอาหาต่อกันมันจะต้องสําเร็จแน่นอนอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต้องระมัดระวังตั้งต้นชีวิตใหม่ยีดใหม่ต้องตั้งต้นใหม่ชังเละมันเข่ากันเน้ลลองตาเนี่ยเขาให้มาพราะเพื่อนป่วยอยู่สองปีลรงพยาบานจุฬามากับอา จ, จารย์ตุ้มอาจานนรย์นศต่อให้เลือกบ้านแต่ไปอยู่วัด เสนอวัดไปดูวัดนั่นก็โอ้ยมันอยู่ใกล้ทางรถยว่าอยู่ที่น่นก็อยู่อุ้นวอยอากาศไม่ดีเราก็ใจเส้นฝ้ายชีวิตเหมือนเช่นฝ้ายอยจะขาดต้องถนบเราก็ให้เลือกแต่ถ้ามาอยู่วัดนี่กไกลเกินไปนั่งรถไม่ไหวก็เลือกที่สารยา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 อร่อยเสี่งยงเจียมตัวระมัดระวังนะขอบคนความจนแต่บางคนพอให้ข่มจนพอทําชั่วคือโลกหมอย้อกี่เลยอ่าบุญเกิดบนนุญศรบุญสร้างบุญสร้างต้องทาเอง แ, แม่พ่อแม่ให้เกิดมาดีแต่ไม่มีบุญสร้างส่วนตัวตํางาดก็ เ, เลยสามละ่ะใช่ไหมต้องสร้างเอาเอง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 บนเกิดบนสอนชวนลูกสาวเข้าวัดน่ยบนสอนไปหลวงพ่อก็สอนจารย์โยมถิ่นก็สอนพระพจ้าก็สอนสวดสาธยายบนสอนบนสร้างต้องทำเร า, าสอนเท่าไหร่เหมือนเป่าปีใส่หัวกวยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต้ <c oughs> องว่างว่างรับเอาโอ้โคมหลงเป็ง น, นี้ลูกของลูกเป็นนี้ แล้วไปทําออกไปทําดูนะฮะ